ก็ไม่มีอิทธิพลตามสกาวิสัยแก่บุคคลนั้นและพฤติกรรมต่างๆของเขาจะหลุดพ้นจากการถูกบังคับด้วยกิเลสที่เป็นแรงขับหรือแรงจูงใจไร้สำนึกต่างๆเขาจะเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าไม่อิงอาศัยไม่ถือมั่นสิ่งใดในโลกอยู่อย่างไม่อิงอาศัยในที่นี้คืออยู่อย่างไม่ต้องขึ้นต่อตันหาและทิฏฐิผลของการปฏิบัติข้อส ในแง่ของปัญญาเมื่ออยู่ในกระบวนการทํางานของจิตเช่นนี้ปัญญาย่อมทําหน้าที่ได้ผลดีที่สุดเพราะจะไม่ถูกเคลือบหรือหันเหไปด้วยความรู้สึกความเอ็งเอียงและอคติต่างๆทําให้รู้เห็นได้ตามที่มันเป็นคือรู้ตามความจริงผลของการปฏิบัติข้อสในแง่ความพ้นทุกข์เมื่อจิตอยู่ในภาวะตื่นตัว เข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นและคอยรักษาท่าทีของจิตอยู่ได้เช่นนี้ความรู้สึกเอ็นอียงในทางบวกหรือลบต่อสิ่งนั้นๆที่ไม่ใช่เป็นไปโดยเหตุผลบริสุทธิ์ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้จึงไม่มีทั้งอภิชาและโทมานต์คือไม่มีทั้งความรู้สึกในด้านติดใคร่กระหายอยาและความขัดเคืองกระทบใจปราศจากอาการกระวนกระวายต่างๆเป็นภาวะจิตที่เรียกว่า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 รู้สึกว่าฉ ás, takes, so so how how ันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันรู้สึกอย่างนั้นฉันรู้สึกอย่างนี้เป็นต้นการรู้สึกว่าตัวฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือการถูกความรู้สึกนึกคิดเป็นต้นที่เป็นนามมาทำส่วนย่อยในขณะนั้นๆหลอกเอานั่นเองเมื่ออยู่ในภาวะถูกหลอกเช่นนั้นก็คือการตั้งต้นความคิดที่ผิดพลาดจึงถูกชักจูงบังคับให้คิดเห็นรู้สึกและทําการต่างๆ ไปตามอำนาจของสิ่งที่ยึดว่าเป็นตัวตนของตนในขณะนั้นนั้นครั้นมาปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานก็มองเห็นรูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างที่เป็นส่วนประกอบของกระแสนั้นกำลังเกิดดับอยู่ตามสภาวะของมันเมื่อวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆในกระแสแยกแยะออกมองเห็นกระจายออกไปเป็นส่วนๆเป็นขณะขณะมองเห็นอาการที่ดาเนินสืบต่อกันเป็นกระบวนการแล้ว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 จึงเป็นวิธีการจำระล้างอาการเป็นโรคต่างๆที่มีในจิตกำจัดสิ่งที่เป็นเงื่อนปมเป็นอุปสรรค่วงขัดขวางการทำงานของจิตให้หมดไปทำให้ปลอดโป ร, โรง่งพร้อมที่จะดำรงชีวิตอยู่ประเชิญและจัดการกับสิ่งทั้งหลายในโลกด้วยความเข้มแข็งและสดชื่นต่อไปเรื่องนี้อาสรุปด้วยพุทธพจน์ในอังคุตรนิกายจตกนิบาศข้อ157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 สิบปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีร้อยปีก็มีปรากฏอยู่แต่สัตว์ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางใจเลยแม้ชั่วเวลาเพียงครู่หนึ่งนั้นหาได้ยากในโลกยกเว้นแต่พระขีนาศพผู้สิ้นอาสวะแล้วทั้งหลายในนักกุลปิตาสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวัก ขรหบดีชื่อนักกุลบิดาเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรอภิวาสแล้วนั่งอยู่ณที่กวรส่วนข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ตักถามว่าแน่ท่านขรหบดีอินรีของท่านผ่องใสนักสีหน้าของท่านก็บริสุทธ์เปล่งปลังวันนี้ท่านได้ฟังธรรมมีคถาในที่จะเพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหรือขรหบดีนักกุลบิดาตอบว่า พระคุณเจ้าผู้เจริญจะไหนจะไม่เป็นเช่นนี้เล่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลังน้ำอมฤต ร, รถข้าพระเจ้าแล้วด้วยธรรมีคาถาพระสารีบุตรถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลังอมฤต ร, รถท่านด้วยธรรมีคาถาอย่างไรข้ารัช บ, บดีตอบว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายอภิวาทนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ชาราแล้วเป็นคนแก่เท่าล่วงการผ่านวัยมานานร่างกายก็มีโรครุมเรา้าเจ็บป่วยอยู่เนืองเนืองอันหนึ่งเล่าข้าพระองค์ไม่ได้มีโอกาสเห็นพระผู้มีพระภาคและพระภิกษุทั้งหลายผู้ช่วยให้เจริญใจอยู่เป็นนิด พอพระผู้มีพระภาคได้โปรดประธานโอวาสสั่งสอนข้าพระองค์ในข้อธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ชั่วการนานานพระพุทธเจ้าตรัสว่าถูกแล้วท่านขฤรหมบดีเป็นเช่นนั้นอันร่างกายนี้ย่อมมีโรครุมเร้าดุ ด, ดังว่าฟองไข่ซึ่งผิวเปลือกห่อหุ้มไว้ ก็ผู้ใดที่บริหารร่างกายนี้อยู่จะยืนยันว่าตนไม่มีโรคเลยแม้ชั่วครู่หนึ่งจะมีอะไรเล่านอกจากความเขาเพราะเหตุฉนั้นแหลท่านคฤหบดีท่านพึงสำเนียกว่าถึงแม้กายของเราจะมีโรครุมเราแต่ใจของเราจะไม่มีโรครุมเราเลยพระกุณเจ้าผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคทรงหลังอมริตรถข้่าพระเจ้าด้วยธรรมีระถาดังนี้แล